ตอนที่เจ็ดเท้จูในเมื่อเรื่องนั้นเอ่ยถึงไม่ได้เช่นนั้นก็คุยกับเราเรื่องเที่จูเถอะภายในตำหนักเงียบงันไปครู่ใหญ่ชูหลิงจึงเอ่ยกับหลี่จงแล้วเรื่องราววีรกรรมของท่านผู้เท่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้คงไม่ลำบากเจ้าเกินไปกระมังหืมหลี่จงเกิดความสงสัยขึ้นในใจเห็นได้ชัดว่าเขาตามความคิดที่พลิกแพนไปมาของจักรพรรดิผู้สื่อรราชสันติวงศ์ไม่ทนันอย่างไรแม้แต่เรื่องนี้ก็เล่าไม่ได้เชียวหรือ ชูหลิงค่อยๆลุกขึ้นยืนพางก็อมองหลี่จงจากที่สูงลแล้วเราได้พยาคะ่ะหลี่จงลังเลเพียงชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่านี่คือการที่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์กำลังอย่างเชิงเขากําลังทําความเข้าใจราชสำนักฝ่ายในผ่านตัวเขาหรือแม้กระทั่งใช้เขาเพื่อให้ดวงตาที่อยู่นอกตำหนักได้เห็นและให้หูที่อยู่นอกตำหนักได้ยินทว่าในใจของเขากลับมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาซึ่งทําให้เขาเปลี่ยนการตัดสินใจเดิมไปโดยสิ้นเชิง ลุกขึ้นเถอะชูหลิงหันหลังเดินกลับไปยังบัลลังก์ในเม ย, ยามนี้ยังไม่อาจล่วงรู้เรื่องราวในราชสำนักฝ่ายนี้ได้เช่นนั้นก็คุยเรื่องที่ไม่เป็นข้อห้ามจะดีกว่าชูหลิงอยากรู้ว่าผู้สถาปนาราชวงศ์อวี่ผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นคนเช่นไรในความทรงจําของชูหลิงเขาไม่มีความประทับใจใดๆต่อจกักรพรรดิเทจูเก่าเลยในปีที่ชูหลิงเกิดมานั้นทันทีที่เขาลืมตาดูโลกจกักรพรรดิเ ท, ทจูเก่าก็เสด็จสวรรคตตามหลังมาทันทีเวลาห่างกันเพียงวันเดียวเท่านั้น ตามข่าวลือในราชสำนักฝ่ายในจักรพรรดิเวินไทจงไม่ปรดบุตรชายที่เกิดจากสนมผู้นี้ไม่ใช่เพราะมารดามีฐานะต่ำต้อยแต่เป็นเพราะการเกิดของชูหลิงได้นำความเจ็บปวดมาให้ไทจงไปตลอดชีวิตความผูกพันระหว่างพ่อลูกของไทจูและไทจงนั้นนับว่าหาได้ยากยิ่งไทจูแข็งกร้าวไทจงอ่อนโยนทว่าในบรรดาโอรสทั้งหลายไทยจูกลับปรดปรานไทจงเพียงผู้เดียว เมื่อไทจูขึ้นครองราชสถาปนาราชวงศ์อวีก็ทรงแต่งตั้งไทจงเป็นราชทายาททันทีตลอดเวลากว่า30ปีที่ครองราชทรงมอบอำนาจให้ไทจงอย่างต่อเนื่องเพื่อราชกิจและกองทัพสองพ่อลูกเคยทะเลาะกันไม่น้อยถึงขั้นโกรธเคืองจนไทจูเคยลงไม้ลงมือกับไทจงแต่ผลลั์คือตำแหน่งราชทายาทของไทจงกลับมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่องปลดรัชทายาทน่าหรืออย่าว่าแต่จะเอ่ยถึงเลยแค่ใครกล้า ค, คิดแล้วไทจูล่วงรู้เข้าผู้นั้นก็ต้องตายฟาบาทรงอยากฟังวีรกรรมเรื่องใดของจักรพรรดิไทจูเกาา่าพะยค หลี่จมเดินก้มหน้าเข้ามาพลางประสานมือคารวะชูหลิงเล่าเรื่องที่ว่าเทจูกลายเป็นจักรพรรดิได้อย่างไรมาให้ฟังทีชูหลิงเอ่ยโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด จ, จักรพรรดิเทจูเกาทรงเคยเป็นทหารรักษาชายแดนของราชวงศ์ก่อนในเวลานั้นจักรพรรดิของราชวงศ์ก่อนทรงโสดเข่าไร้ความสามารถลุ่มหลงในนารีไม่เสด็จออกว่าราชการมากว่า20ปีขุนนางผู้มีอำนาจกลุมอำนาจบเบ็ดเสร็จกดระเบียบเสื่อมทรามทําให้ใต้ราตกอยู่ในความทุกข์ยากอย่างแสนสาหาัส หลี่จงครุ่นคิดครู่หนึ่งพลางเรียบเรียงคำพูดในใจแล้วเ อ, อ่ยอย่างระมัดระวงังคุณนางกังฉินทั้งในราชสำนักและส่วนท้องถิ่นต่างระรานไปทั่วเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนพวกเขาขูดรีดราษฎรทุกวิถีทางมีการเรียกเก็บภาษีสารพัดรูปแบบจนรัศดรทุกยากแสนเข็ยนแม่แต่เบี้ยวสวัสดีกลางของกองทัพก็ยังถูกยักยอกไปกว่าครึ่งหรือแม้กระทั่งค้างจ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำพยะคะ และในเวลานั้นกองกำลังต่างเผ่าตามชายแดนก็รุกรานบ่อยครั้งทว่าผู้ที่รบชนะกลับต้องตายในตอนจบในทางกลับกันผู้ที่รบแพ้กลับได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเทจู่ชูหลิงขมวดคิ้วถามใช่การขัดเปลี่ยนราชวงศ์ย่อมมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆแต่สิ่งที่เขาอยากฟังในยามนี้ไม่ใช่เรื่องพวกนี้ทุกยุคทุกสมัยเมื่อถึงช่วงปลายราชวงศ์ก็เป็นเช่นนี้ม่ใช่หรือ จักรพรรดิที่จูเกาทรงอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นพยาคาะพระทรงนำทัพเพียงหน่วยเดียวออกประจันหน้ากับศัตรูที่รุกรานจนสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงแต่กลับไม่ยอมติดสินบนผู้บังคับบัญชาทรงนำทรัพย์สงครามที่ยึด ม, มาได้ไปขายเพื่อแบ่งปันให้แก่ครอบครัวของทหารที่พลีชีพในหน่วยของพระองค์จึงถูกคนชั่วใส่ร้ายว่าสมคบคิดกับศัตรูและถูกคนของราชสำนักจับกุมตัวไปพยคาค่ะหลี่จงรีบเอ่ยต่อ แม้จักรพรรดิแทจูเก่าจะทรงมาจากประกูลสามัญชนแต่ทรงเป็นคนใจกว้างไม่ถือตัวก่อนจะเข้าร่วมกองทัพรักษาชายแดนพระองค์ทรงเคยมีชื่อเสียงในทางวิชาการด้วยซ้ำเพียงพระทรงทนเห็นศัตรูรุกรานชายแดนไม่ได้จึงทรงละทิ้งผู้กันไปถืออาวุธหวังจะสังหารพวกต่างเผ่าที่ชายแดนให้ได้มากที่สุดพยายคะไม่ได้เริ่มจากถุงขอทานไปเดียวสินะชูหลิงหรีตาลงเล็กน้อย ตอนที่จักรพรรดิเทจูกเกาถูกจับ ก, กุมเพื่อส่งตัวกลับเมืองหลวงมีทหารสิบานายและทิ้งกองทัพคอยติดตามไปตลอดทางพวกเขาเสี่ยงอันตรายจากการถูกไล่ล่าเพื่อเข้าช่วยเหลือจักรพรรดิเทจูกเก่าพยาคะหลี่จงเล่าต่อทหารสิบสามนายนี้คือกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ติดตามจักรพรรดิเทจูกเกาเพียงแต่ผู้ที่มีชีวิตรอดติดตามพระองค์ไปตลอดเส้นทางการศึกนั้นเหลือเพียงสองคนเท่านั้นพยาคะเป่ากวัวกงจงชวนและอันกวัวกงชางหลีชูหลิงเลิกคิ้วขึ้นถามถูกต้องแล้วพยาคะ หลี่จงพยักหน้าตอบเมื่อจั ก, กรพรรดิผู้ล่งลับเสด็จสวรรคตในยามที่ราชสำนักฝ่ายในเกิดความวุ่นวายทั้งสองท่านนี้ก็ถูกเชิญตัวเข้ามาในราชสำนักฝ่ายในด้วยชูหลิงจับข้อมูลสำคัญได้ประการหนึ่งแล้วอย่างไรต่อพระการสังหารทหารของราชสำนักเพื่อชิงตัวนักโทษทำให้กลุ่มของ จ, กกจักรพรรดิเทจูเกาถูกราชสำนักประกาศจับพยัค่ะหลี่จงเล่าต่อไป ด้วยเหตุนี้จักรพรรดิจูกเกาจึงต้องปิดบังชื่อแท่ใช้ชีวิตหลบหลบซ่อนซ่อว่าลิ้วสั้นเหมือนของราชวงศ์ก่อนกลับตามล่าพระองค์อย่างไม่ลดละพยคะเพราะเหตุใดชูหลิงขมวดคิ้วในบรรดาคนที่ถูกสังหารนั้นมีบุตรหลานของตระกูลผู้มีอำนาจรวมอยู่ด้วยพยคะหลี่จงก้มหน้าเอ่ย การไปที่ชายแดนครั้งนั้นเดิมทีก็เพื่อตามมาหาสมบัติวิเศษชิ้นหนึ่งเพื่อนําไปถวายขุนนางผู้ทรงอํานาจในราชสํานักบิดาของเขาไม่อยากให้เป็นที่สังเกตจึงให้เขารับหน้าที่นี้และบุตรหลานตระกูลผู้มีอํานาจผู้นี้ก็เป็นคนระมัดระวังอย่างยิ่งเขาหาสมบัติวิเศษพบแล้วแต่สุดท้ายกลับต้องมาตายพยาค่ะช่างประจวบเหมาะเสียจริงชูหลิงอยากจะหัวเราะคนสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยกลับต้องมาเกี่ยวพันกันด้วยวิธีเช่นนี้เล่าต่อสิชูหลิงเริ่มเกิดความสนใจ หลังจากนั้นสาปีจักรพรรดิเทจูเกาทรงตกอยู่ในสถานการณ์กับขันถึงเจ็ครั้งแต่ก็ทรงหนีรอดจากการตามล่ามาได้ทุกครั้งพะยะค่ะหลี่จงเ อ, อ๋ยแม้จักรพรรดิเทจูกเกาจะถูกลิ้วซ่านเหมือนตามล่าอยู่ตลอดแต่การเดินทางไปทั่วทุกขนแห่งก็ทำให้พระองค์ได้คบหากับเหล่ายอดสีมือในยุทธภ พ, พไม่น้อยครั้งที่อันตรายที่สุดคือตอนที่จักรพรรดิเทจูกเกาถูกล้อมไว้ทุกทิศทางที่น้องเก่าแก่สิาคนในตอนนั้นตายไปถึงเจคนในศึกเดียวในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นสวินกัวกงเป็นผู้นนําาคคเเข้ช่่วยยหลือพะะ แม่ทับใหญ่เจิ้งซีหลี่จิน้นชูหลิงหลี่ตาลงเล็กน้อยหลี่จงพยักหน้าให้ตายเถอะแม่หลี่จงจะไม่ได้เล่ารายละเอียดอย่างของแท้แต่ชูหลิงก็สัมผัสได้ถึงความอันตรายในตอนนั้นและทั้งสามคนที่ถูกเอ่ยถึงมานี้ล้วนกลายเป็นบุคคลระดับสูงสุดของราชวงศ์อวีทุกคนล้วนเป็นกัวกงราชวงศ์อวีจนถึงปัจจุบันมีกัวกงสิองท่านและทุกคนล้วนได้รับตำแหน่งสืบทอดทางสายเลือดโดยไม่มีข้อยกเว้น ที่สำคัญคือทั้งสามท่านนี้มีความแตกต่างอยู่บ้างทุกท่านล้วนได้รับตำแหน่งจู้กัวเสาหลักแผ่นดินซึ่งในราชวงศ์อวีมีผู้ได้รับตำแหน่งนี้รวมทั้งหมดเพียง9ก้าท่านเท่านั้นเพียงแค่จุดนี้ก็เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิเทจูเ ก, กาทรงเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับบุญคุณและความเป็นที่น้องมากเพียงใดมีหน้าเล่าฉูง่งถึงได้ดูมีความมั่นใจนัก เมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้ชูหลิงก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนจะเข้าวังมเหตุใดชูหงที่เป็นบุตรชายคนโตของสนมถึงได้วางค่าเช่นนั้นก็ตาของเขาน่นะเคยช่วยชีวิตปู่ของคนอื่นเอาไว้นี่นายิ่งไปกว่านั้นแม่หลีจ่จีนจะมีอายุมากแล้วแต่ยา น, นี้เขายังดํารงตาแหน่งแม่ทัพใหญ่เจ้งซีคอยเฝ้ารักษาพื้นที่สาคัญอย่างซีเหลียงเพื่อปกป้องชายแดนของราชวงศ์อวี๋และระวังศัตรูที่แข็งแกร่งจากซีชวนในมือมีอํานาจทหารของจริงชูหงจะไม่มั่นใจได้อย่างไร และในปีนี้เองหลายพื้นที่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ก่อนเกิดพิิบัติอย่างหนักจํานวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็เกิดกองกําลังกบฏขึ้นหลายกลุ่มพยกระหลี่จงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าต่อหลังจาก จ, ากจักรพรรดิเทจูเกาทรงทราบเรื่องจึงทรงตัดสินใจชูธงคุณธรรมเพื่อล้มล้างการปกครองที่โหดเหี้ยมนี้เพียงแต่ในปีนั้นยังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งพยกระเรื่องอะไรชูหลิงโน้มตัวไปข้างหน้า ขุนนางผู้ทรงอำนาจของราชวงศ์ก่อนวางยาพิษสังหารจักรพรรดิเฉาแล้วสถาปนาราชวงศ์ปลอมขึ้นโดยใช้ชื่อแคว้นว่วยพยาคาหลี่จงก้มหน้าเอ่ยเรื่องนี้แพร่สัพัดไปทั่วใต้ลาต่างสรรสะเทือนเพราะเหตุนี้เหล่าชนเผ่าในกวนซีจึงรวมตัวกันต่อต้านแคว้นเวยและในปีนี้เองจักรพรรดิเทจู่เกาก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพกวนซีและผู้นำของกองทัพกวนซีในระหว่างการปราบปรามแคว้นเวยเห็นว่าจักรพรรดิเทจู่เกาสังหารศัตรูไปนับไม่ถ้วนจึงรับพระองค์เป็นบุตรบุญธรรมพยาคาชูหลิง